จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหกการไม่สำรวมอินทรีย์พระพุทธภาสิสุภานุปัสสิ่งวิหารตังอินทริเยสุอสังวุตังโพชนมิอมัตัญยงกุศีตังหินวีริยังตังเวปะสะติมาโร วาโตรุขขังวัตถุพลังอสุภานุปัดสิงวิหรันตุงอินทรเย ส, สุสังวุตังโภชนมิจมัตตัญยงสัตธังอารัฐทะวิริยังตังเวนัปปะสหิตมารูวาโตเสรลังวะปะปะตังคนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นว่างงามอยู่ ไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นไม่รู้จักในการบริโภคเกียรติคร้านมีความเพียนเลวคือย่อหย่อนมารย่อมรังควานย่ำยีได้เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ลม้มลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์รู้จักในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียนสม่ำเสมอ มานย่อมรังควาย่อมยีไม่ได้เหมือนลมไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้ฉะนั้นอธิบายความการที่มองเห็นอารมณ์มีรูปว่างามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างเป็นต้นโดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นงามความกำหนัดพอใจก็เกิดขึ้น การมราคะก็รบ ก, กวนทาสมาธิก็ไม่ได้คือทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้นคือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่งามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำหนัดในส่วนที่งามแยกเป็นส่วนๆการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นคือไม่ระวังอินทรีย์หก กล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจย่อมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมรส ถ, ถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์รวมความว่าต้องคอยดีใจเสียใจอยู่เสมอการตามใจตาหูจนเกินไปย่อมทำให้ต้องดิ้นรนมากมีทุกข์มากทำให้ต้องเสื่อมจากคุณงามความดีก็ไม่น้อย ความไม่รู้ประมาณในโภชนะนั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้จักประมาณในการสแสวงหาในการรับและในการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปทําให้ร่างกายอ่อนเพลียอาจเป็นโรคขาดอาหารได้มากเกินไปทําให้เกิดอักเกี็จคร้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคํานึงถึงคุณภาพของอาหารด้วย แต่เชื่อว่าทุกคนจกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่อำนวยแต่โปรดอย่าลืมว่าอาหารที่มีคุณภาพดีไม่ได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปความเกียดคร้านนั้นคืออาการที่ไม่อยากทำอะไรแม่ร่างกายจะปกติดีอยู่มิได้เหนื่อยไม่เปลียและไม่เจ็บป่วยแต่ไม่อยากทำอะไร การที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกลียดคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทำงานต่อไปหากเป็นพระอาการเกลียดคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียนไม่อยากท่องบนสาทยายไม่เจริญสมณธรรมเช่นสมถะและวิปัสสนาเอาแต่ชันแล้วนอนและคุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเอีกด้วย ความเกียจคร้านเป็นอันตรายต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่บรรพชิตและคลือหัดเป็นหลุมพรางที่มารชอบคนขยันย่อมต้องมีอะไรบางอย่างทําอยู่เสมอไม่อยู่ว่างได้คนเกียจคร้านมักต้องตกอยู่ในอำนาจของวิตกสามคือกามวิตกการตรึกถึงกามความพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและอหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียน คำว่ามีความเพียนเร็วนั้นคือมีความเพียนย่อหย่อนจับจับบางๆางไม่มีความเพียนอันมั่นคงทำอะไรจับจดทำความเพียนแบบการเดินของกิ่งก่าคือเดินเดินหยุดหยุดไม่สม่าเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอานาจของความงามเป็นต้น มารย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมารด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสำรวมอินรีหกรู้จักประมาณในโพชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายมารย่อมย่ำยีไม่ได้มีคำที่ควรอธิบายอยู่อีกคำหนึ่งคือมีศรัทธา ศรัทธาในที่นี้ท่านหมายเอาทั้งโลกิยสศรัทธาและโลกุตระศรัทธาโลกิยาศรัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อชาตินี้และชาติหน้าโลกุตระศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระตนไตรยัยอันหนึ่งโลกุตระศรัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป เรื่องประกอบพระจุลการและพระมหาการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดู่ลายเขตเสตพยนครพระจุลการและมหาการเป็นชาวเสตพยนครมีพี่น้องด้วยกันสามคนคือจุลการมัชฌิมการและมหาการ มหาการเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลการมักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับก็ซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตพญานครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตพยานครคือมัชชิมการคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถี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 ทรงตล่อมด้วยการพณร น, นาถึงโทษของขันธ์และจบลงด้วยอริยสัจส์่เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปโภคะและยาตั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้ว ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้ามีใครจะต้องบอกลาไหมพระศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวช ด, ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสละโลกแต่จุลการบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้ศึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่สองคือคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธวจนะหนึ่งและวิปัสนาธุระการเจริญวิปัสนาเพื่อละอวิชาทำปัญญาให้เจริญเต็มที่หนึ่งพระมหาการตกลงใจทำประการที่สองคือวิปัสนาธุระทูลขอให้พระศาสดาตรัสบอกโสสานิกะทุดงควัต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 วันหนึ่งจึงตามประทีปไ้ายที่กระท่อมใกล้ปา่าช้าพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชชิมยามจึงเข้าไปไหว้แล้วพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี่หรือใช่อุบาสิกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในปา่าช้าควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในปา่าช้าพระเถระ ถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าชา้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าชา้าควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอกผู้เฝ้าป่าชา้าและพระมหาเถระในวิหารทําไมจึงต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจมีพวกโจรทําจรกรรมแล้ว พาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าชาเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าชา้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาและรุมกันทุบตีแต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าอยู่มานานแล้วไม่ใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมพระถามนางตอบว่า พระที่อยู่ในป่าช้าจําต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านควรปรารบความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่อ้กอวดไม่เจ้าเล่ห์ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้น พึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบันปะชิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันหนึง่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพเจ้าก็จะกลาบเรียนให้ทราบ พ, พระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าและสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่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 มอบเงินค่าเผาให้นางกาลีแล้วมอบศพให้เป็นภาระของเธอนางเปลื้องผ้าห่มศพออกดูเห็นยังสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูพระมาดูแล้วเห็นรูปประเนตยิ่งนักมีสีดังทองคำยังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่าเมื่อเอาศพไปเผาแล้วขณะไฟกาลัง ผมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกําลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการพระมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงองหยิกห้อยลงมือทั้งสองกาเข้าหนังหน้าผากปอกเปิก พระเทระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกสันกำหนัดแก่ผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวัตยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสัมโสุโค สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายหลังจากพระมหาการสำเร็จอรหัตผลแล้วไม่นานพระศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสง์สเดจสูเสตปยานนครสด็จประทับนป่าประดูลาย ภรยาสองคนของพระจุลการได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลการพร้อมด้วยพระศาสดาให้รู้สึกปราโมดยิ่งนักวางแผนเพื่อจับพระจุลการเสึ็จจึงนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันพัตตาหารหน้าบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสำหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้น ควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนําการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอาสนะสาหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระจุลการให้ล่วงหน้าไปก่อน พอหญิงภรรยาเห็นพระจุลการมาชวนกันสวนเสเฮ ห, หาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเส้นอาสนะสําหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสําหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้นพอพระจุลการแนะนําว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้หญิงพวกนั้นแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินรุมกันร้อมพระจุลการและกล่าวว่าท่านควรจะมาปูอาสนะซะเองเที่ยวทําอะไรอยู่ ลาใครบวชมาที่นี่ทาไมดังนี้เป็นต้น ช, <ix> um. ช, ช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลการออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวเทิดดอกไม้แล้วส่งไปนี่บนพระศาสดาพระจุลการซึ่งบัด น, นี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จพระยาของพระมหาการคิดกันว่า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 ทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาพระศาสดาจึงเสด็จกลับก่อนภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะพระมหาการเพียงรูปเดียวเท่านั้นในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศาสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบหนอจึงทรงกระทำเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลการ บัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาหญิงเหล่านั้นจากธรรมอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้แลหรือพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธออยากเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลกาลกับมหาการนั้นผิดกันจุนลกาลผุดลุกผุดนั่งคิดแต่เรื่องศึกใจของเธอเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ว่างามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุรพล ตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเราเห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามอยู่เนืองนิดเป็นพวกอันอารมณ์ต่างๆให้วันไหวโยคลอนไม่ได้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตซึ่งได้กล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นเหตุการณ์ทางบ้านของพระมหาการหญิงอดีตภรรยาของท่าน8ดคนล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่า ท่านราใครบวชบัดนี้จะสึกหรือไม่สึกเล่าดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเพื่องจีวรของท่านออกจากกายก็เรถระ ก, กำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเหาะไปได้ด้วยอำนาจฤทธิ์ลงมาถวายบังคมพระาศาสดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสภาษิตกับภิกษุทั้งหลายจบพอดี ผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะพระพุทธภาษิตอานิกะสาวโวกาสาวังโยวัฏถังปริทะเหตสติอเปโตธรรมสัจเจนะณนะโสกาสาวะบรหติโยจะวันตะกะสาวัสสีเลสุสุสมาหิตโตเปโตธรรมสัจเจนะ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 กิเลสมีการมราคะความกำหนัดในการเป็นต้นท่านเรียกว่ากิเลสดุดน้ำฝาดธรรมะนั้นหมายถึงการฝึกอินทรียหกให้เชื่องคือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เชื่องไม่มีพิษสง์ในการนำความทุกข์มาให้ไม่ต้องทำบาปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นสำหรับภิกษุพระศาสดาตรัสว่าถ้าจะต้องทำบาปเพราะตาเป็นต้นแล้วก็ ให้ควักในตาออกเสียในอินทรีย์อื่นๆก็เหมือนกันฆราวาสก็มีความจำเป็นในการฝึกอินทรีย์เหมือนกันแม้ในฆราวาสธรรมกล่าวคือธรรมสำหรับฆราวาสภะาษาสดาก็ทรงบัญญัติธรรมวายประการหนึ่งด้วยดังนี้ 1. สัจจะความจริงใจต่อกัน 2. ธรรมะการข่มอินทรีย์6 3. ขันติอดทนต่อหนาวร้อนความลาบากตรากตรำ สจาคะการเสียสละสงเคราะห์ครอบครัวและสังคมสัจจะนั้นมีนัยเป็นอเนกคือมีคําอธิบายมากแล้วแต่ว่าสัจจะนั้นอยู่ในธรรมบทใดมีความหมายต่างกันออกไปกล่าวโดยปริ ย, ยสนัยคือยังมีนัยยะอื่นๆอีกจะเอาเฉพาะที่พระศาสดาตรัสไว้ในที่นี้แต่ความหมายเดียวกันในที่นี้ท่านหมายถึง วจีสัจจะคือพูดจริงบุคคลผู้ไม่มีธรรมะและสัจจะยังมีกำหนัดกล้าในการมกคุณห้ามีรูปเป็นต้นท่านไม่ควรห่มผ้ากาสาวพัท ส, ส่วนผู้ปสัสจาความกำหนัดกล้าประกอบไปธรรมะและสัจจะจึงควรห่มผ้ากาสาวะเรื่องประกอบพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระอัตสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะ พาบริวารของตนไปยัง น, ค, นรครราชสิริชาว น, า ค, นราครราชสิริส่วนกันถวายอาคันตุกทานคราวหนึ่งพระสารีบุตรได้อนุโมทนาใจความว่าผู้ถวายทานด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมได้เฉพาะโภ้กสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ทําด้วยตนเองย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภ้กสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นด้วย ทำด้วยตนเองด้วยย่อมได้ทั้งบริวารสมบัติและโภคสมบัติส่วนผู้ไม่ทำเองและไม่ชักส่วนผู้อื่นย่อมไม่ได้สมบัติทั้งสองเกิดในที่ใดก็เป็นคนอนาถาไม่ได้อาหารสักว่าพออิ่มท้องชายคนหนึ่งฟังอนุโมทนากถาของพระสาลีบุตรแล้วต้องการให้สมบัติทั้งสองเกิดแก่ตนจึงนิมนต์พระเทระพร้อมทั้งบริวารเพื่อรับพัะตาหารในวันรุ่งขึ้น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 ครั้งนั้นมีกุดุมพีคนหนึ่งได้ให้ผ้ากาสาวะอันมีราคาถึงแสนซึ่งนำมาจากแคว้นคันธาระแก่บรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นพร้อมกับสั่งว่าถ้าของทาบุญวงเล็บทา น, นวัตของท่านยังไม่เพียงพอท่านพึงเอาผ้าผืนนี้เติมเข้าไปหรือขายผ้าผืนนี้แล้วซื้อของอย่างอื่นมาทาบุญแต่ถ้าของทาบุญของท่านมีพอแล้วก็ขอ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 แต่ควรแก่พระสารีบุตรพระเทวทัตห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งไปจากกรุงราชฤท์ไปเฝ้าพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสว่าพระเทวทัตใช้ผ้าอันไม่สมควรแก่ตนในบัด น, นี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่ควรแก่ตนมาแล้วเหมือนกัน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 เราล้มช้างพวกนี้ยากก็มันเห็นอะไรนาะจึงแสดงอาการจบเมื่อรู้ว่ามันเห็นผ้ากาสาวะจึงปรารถนาได้ผ้ากาสาวะมาคลุมกายเมื่อพระประเจกพระพุทธเจ้าลงสู่สะเพื่อสงนาเพื่องผ้ากาสาวะไว้ริมสะพรานช้างลักจีวอ น, นั้นแล้วถือหอกนั่งคลุมโปงอยู่ริมทางที่ช้างผ่านไปมาหมูช้างเห็นเขาเข้าจึงจบด้วยเขา และเข้าใจว่าเป็นพระปจเจกับพุทธเจ้าพรานจึงพุ่งหอกมุ่งเอาตัวสุดท้ายแล้วนำงานและส่วนต่างๆไปขายเลี้ยงชีพพรานนั้นทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานา น, านจนกระทั่งพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างเป็นนายโขลงพระโพธิสัตว์เห็นบริวารของตนร่ายรอไปผิดปกติจึงถามช้างอื่นๆแต่ไม่มีใครทราบ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 จึงแหวกจีวรพุ่งหอกออกไปพระโพธิสัตว์เดินระวังตัวอยู่แล้วจึงถอยหลังหน่อยหนึ่งหลบหอกแล้ววิ่งแปลนเข้าหาในพรานพรานเห็นดังนั้นวิ่งไปหลบที่ต้นไม้พระโพธิสัตว์เอวง่วงรวพร้อมทั้งต้นไม้หมายใจว่าจะฟาดลงบนแผ่นดินแต่พอเห็นผ้ากาสาวะใจก็สลดลงยับยั้งสติไว้พรานคิดว่าถ้าเราประทุษร้ายบุรุษนี้ชื่อว่า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 อย่างเดียวกับที่ยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นแล้วโอวาทว่าต่อไปภายหน้าอย่าได้ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วปล่อยเข้าไปพระาศาสดานาเรื่องนี้มาเล่าแล้วทรงประชุมชาดุกว่าพรานในครั้งนั้นคือเทวทัตในครั้งนี้ช้างโพธิสัตว์คือเราตถาคตดังนี้แล้วทรงย้าอีกว่าไม่ใช่เพียงในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่สมควรแก่ตนมาแล้ว ทรงปรารพเรื่องนี้เป็นเหตุภาษาสดาจึงตัดพระพุทธภาสิทธ์เรื่องผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะดังได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องตน้น 8. ทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระพระพุทธภาสิทธ์อสาเรสารมัติโนสาเรจอสอาสาทัตสิโนเตสารัง นาิคัตฉันติมิสาสังกับปโคจราสารัญจสารโตยัตตวาอสารัญจอสารโตเตสารังอธิคัตฉันติสัมมาสังกับปะโคจราความว่าบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความลำบีผิดประจําใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใด เห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริถูกประจำใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพุทธพาสิทธินี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูก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 เปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกหินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออสสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องประกอบอาจารย์สัญชัย สัญชัยเป็นคณนาจารย์คนหนึ่งในบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชสักขสัญชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคําว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสสะแล ะ, ะโกริตตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิท ในสมัยเป็นฆราวาสอุปติสสะและโกริตตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสสะคามบิดาของโกริตตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตตะคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมาเจ็ดชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและ ทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงความสําเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบต่อมาวันหนึ่งอุปติษฐ์มีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติษฐะตอบว่าสหายเออย ข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจะต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะสแสวงหาโมฆะธรรมโกลิตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกสแสวงหาโมฆะธรรมคือทำอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การสแสวงหาโมฆะธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่ง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 การอยู่ประพฤติพรหมจารย์นในสำนักของอาจารย์สัญชัยไม่มีประโยชน์อะไรเราทั้งสองออกปวดเพื่อแสวงหาโมฆะธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีคงจะได้พบอาจารย์ผู้สแสดงโมฆะธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครพูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทําการ สากรชากับสมณะพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามได้เขาเที่ยวแสวงหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอตรตถธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสา ม, มาสาัมเดจเจ้าเสด็จถึงกรุงราชฤก์ประทับอยู่ณนะเวรุวัน อันพระราชาผิมพิสารทูลถวายภาษาวกรครูปหนึ่งในจำนวนปันเจวคีคือพระอัศชิออกวินทบาทในกรุงราชคฤืในเช้าวันหนึ่งก็ปฏิสรบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัศชิแล้วรำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดในบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผลในโลก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 เมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำในกุนโทของตนถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอาชชิคิดว่าโดยปกติปริภาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความซึ้งในภาษาศาสนาแก่ปริพาชนี้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 พระอาจารยสิจึงแสดงหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวงอันรวมเอาหลักอริยสั์และปฏิจจสมุปบาทด้วยด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ อุปติสสะบริพาชกฟังแล้วเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายความและไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระาศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอาสัิตตอบว่าเวลานี้พระาศาสดาประทับอยู่ณนะเวรุวันกลันทะกะนิวาปะ ปริพาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจง บ, บอกกันข้าพเจ้าจะไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดาเขาบอบลงเท้าเท้าของพระเถระด้วยเบญจางข้าพระดิ์ก็ทำประทักษิณสามรอบแล้วไปสู่อารามของปริพาชกเพื่อบอก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 ส่วนพวกโง่โงจงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสหายก็จากไปสิทธิในสำนักของสัญชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากประหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลงสัญชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิของสัญชัย250คนคงจะสงสารอาจารย์ จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามสหายไป250คนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวรุวันนั้นแล้วเป็นเวลาที่พระาศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททอดพระเนธเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับพิษุทั้งหลายว่าภิสุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสะและโกริตะกำลังมาเขาทั้งสองจะเป็นอครสาวกของเรา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 แต่คนพวกนี้พอสำเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุณาลังการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สำเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติสสะได้นามใหม่ว่าพระสาลีบุตรบุตรของสาลีพรามณีส่วนโกริตะได้นามใหม่ว่าโมคลานะเพราะเป็นบุตรของโมคคลีพรามณีพระโมคขลานะบวชแล้วเจ็ดวันไปทาความเพียรอยู่ที่บ้านกลวารมุตตะ ในแคว้นมคตนั่นเองโงกง่วงอยู่พระศาสดาทรงสแสดงธรรมบรรเทาความง่วงนั้นทรงสแสดงธาตุกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอรหัตตผลฝ่ายพระสารีบุตรบวชแล้วได้ครึ่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกราขาตากับพระศาสดาถ้ำนี้อยู่บนเขาคิชฌกูฏเมื่อพระศาสดาทรงสแสดงธรรมชื่อเวทนาปริฆหสูตรวงเล็บสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนา แก่ทีคณนขปริภาชกหลานของตนอยู่ได้ส่งยานไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอราตาผลประดับด้วยคุณารังการทั้งปวงมีปฏิสัมพิธาสและอภิญญาหกเป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระาศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวรุวันประธานตำแหน่งอ克รสาวกแก่พระสารีบุตรและ พระมหาโมคลานะแล้วทรงแสดงพระปาฏิโมกข์ภิกษุทั้งหลายติเตียนพระศ า, าสดาว่าทรงประธานตำแหน่งอ克拉สาวกอย่างเห็นแก่น่าไม่ยุติธรรมตำแหน่งอครสาวกควรตกแก่พระปัญจวัคคีรูปใดรูปหนึ่งมีพระอัญญาโกฏัญญาเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยศะพวกพัทธวัคคีสาหรือคณะฉะดินสามพี่น้องที่อรุเวรักสปะเป็นต้น เพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระาศาสดาละเลยภิกษุเหล่านั้นเสียทรงประทานตำแหน่งอ克拉สาวกแก่ผู้บวชใหม่เพียงส5้าวันไม่ควรเลยพระาศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตำแหน่งอครสาวกแก่สารีบุตรโมคลานะเพราะอคติเห็นแก่หน้าก็หาไม่เราให้ตามมโนปณิธานของเขาทั้งสอง อันหนึ่งโกนธัญญะและภิกษุเหล่าอื่นมิได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครสาวกเมื่อภิกษุทั้งหลายทูล ถ, ถามจึงตัดเล่าปุพกรรมและปณิธานของภิกษุนั้นๆมีของพระอัญญาโกนธัญญะเป็นต้นจนถึงปณิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสาระดาบทภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้่องใจเรื่องบุพกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควร